มันจะปีถาธิอนุชาณนนะว่าด้วยทรงอนุญาตเตียงและตังเป็นต้นเรื่องเตียงและตังสมัยนั้นเตียง